จนกระทั่งสุดท้ายอาจารย์ก็ยอมรับมาเป็นลูกศิษย์แล้วก็มีเงื่อนไขนะอาจารย์บอกกับเซกิว่าจะสอนแ ค, แค่แค่ท่าพื้นฐานให้ส่วนท่าระดับสูงนี่ก็จะสอนให้แค่ท่าเดียวเซกิก็ถามว่าทาไมอาจารย์ก็บอกว่าก็เพราะว่าเด็กมีแขนข้างเดียวอย่างเธอเนี่ยสอนแค่นี้ก็พอแล้ว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 เพราะว่ามีแขนข้างเดียวตอนที่ไปแข่งขันเป็นครั้งแรกในชีวิของเขาเนี่ยพ่อแม่ก็ไปให้กำลังใจนะแล้วก็เตรียมคำปลอบใจไว้สำหรับเซกิเพราะคิดว่าเซกิคงแพ้แน่เนื่องจากคู่ต่อสู้นี่เขาเป็นคนที่มีร่างกายปกติบอกว่าเซกิชนะนะ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 อาจารย์ว่าผมชนะได้อยังไรอาจารย์ก็อธิบายว่าไอ้ท่าทุ่มของเธอเนี่ยนะมันจะแก้ได้เนี่ยมีวิธีแก้วิธีเดียวก็คือจับมือซ้ายแล้วก็ยึดมาแล้วก็เวียงแต่ว่าเซกิทไม่มีมือซ้ายไม่มีแขนซ้ายนะเพราะฉะนั้นคู่ต่อสู้ก็เลยทำอะไรเซกิทไม่ไดนะ้ก็กลายเป็นว่าจุดอ่อน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 ถ้าว่าเซกิ จ, จะทุ่มเมื่อไหร่นี่ก็ก็ต้องโดนทุ่มมันนั้นนะไม่สามารถจะแก้ท่านี้ได้อันนี้ก็ให้ข้อคิดที่ประทับใจหลายอย่างนะทานในแง่ของความเพียรพยายามนะของเด็กคนหนึ่งซึ่งพิกการแต่ว่าก็ภาคเพียรจนกระทั่งสามารถจะเป็นแชมป์ยูโดได้และขณะเด็กการก็ชี้เห็นว่าไอ้ความพิกการของเขาเนี่ยนะคือการที่ไม่มีแขนเนี่ย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 จุดนอนกับจุดแข็งก็อยู่ด้วยกันอยู่ที่ว่าจะใช้ให้เป็นหรือเปล่าคนตาบอดเนี่ยนะเขามีจุดแข็งก็คือว่าผัสสะการรับรู้ส่วนอื่นนี่เขาจะเนีบมากเขาจะคมมากเช่นเขาจะฟังเสียงได้ดีสามารถจะจำแนกอารมณ์ของคนพูดได้แล้วหูเขาก็ดีมาก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 เขาทำอย่างนั้นได้อย่างไรนะก็ทำํำงั้นได้เพราะว่าไอสมองส่วนที่รับรู้ภาพเนี่ยพอมันไม่มีภาพให้สมองได้ทํางานสมองก็เปลี่ยนไปไปทํางานไปเสริมไอตระนัด้านอื่นไปเสริม อ, อวัยวะหรือว่าส่วนที่รับรู้ด้านเสียงนะเพราะฉะนั้นเสียงนี่เขาจะจำแนกได้ไวมาก นะก็ไม่น่าเชื่อนะว่าคนตาบอดนีนะ่เขาสามารถที่จะขี่จั ก, กรยานเขาสามารถที่จะเดินโดยที่ไม่ไปชนอะไรเลย mm. เพียงเพราะว่าอาศัยเสียงที่สะท้อนกลับมาที่หูเขาเท่านั้นแหละอันนี้ก็เรียกว่าจุดอ่อนของแต่ละคนนี่มันสามารถจะกลายเป็นจุดแข็งไปในตัวนั้นอยู่ที่ว่าเราจะสามารถจะใช้จุดอ่อนนะั้นให้เกิดเป็นประโยชน์ได้หรือเปล่านะ mm. คนพิการก็ดีคนที่ยากจนก็ดีพวกนี้เราก็มองว่าเป็นจุดอ่อน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 เพราะว่าอยากได้อะไรก็มีหมดอยากได้อะไรก็ได้ทันใจนะไม่รู้จักรอคอยไม่รู้จักทำความเพียร น, นะแล้วก็ไม่รู้จักทำใจเมื่อไม่ประสบความสำเร็จหรือเมื่อไม่เป็นดั่งใจนะการที่คนเราเจออะไรที่ไม่เป็นดั่งใจแล้วก็รู้จักทำใจได้นี่ถือว่าเรากำลังพัฒนาจุดแข็งขึ้นมาในตัวให้รู้จักอดทนนะให้มีความเข้มแข็งนะ ก็ฟังเรื่องราวเซกิเอนแล้วก็เอาเรามาใช้กับตัวเราเองดูเวลาที่เราสวนเรามีมีข้อบกพร่องเรามีจุดอ่อนเนี่ยเออเราจะทำให้มันเป็นจุดแข็งได้อย่างไรเอาลเตรียมรับพร